ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนําเสนอภาษาธิบุตรเทราต่อไปก็ยังอยู่ในช่วงที่ท่านเล่าถึงการได้พกกับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมาทศีในอนดีตกาลนานไกล ท่านพันนาคุณของพระตุพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมาุมัติสีไว้เป็นนั้นมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมีพระคุณเสมอกันเราฟังการสรรเสริญพระพุทธเจ้าพรองค์ใดก็ตามก็แสดงว่าแม้พระองค์อื่นๆก็ทรงดํารงพระคุณในฐานะอย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเราซึ่งมีพระพุทธศาสนาอย่างดำรงอยู่ก็ทรงพระคุณเป็นอนเนกประการที่ท่านได้กล่าวสรรเสริญพระอนมทัตสีพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นราผู้องอาจ ทรงประสงค์ความวิเวกจึงเสด็จเข้าป่าหิมวันโรงเป็นผู้เลิศเป็นมุนีประกอบด้วยกรุณาเป็นบุรุษผู้สูงสุดเสด็จเข้าป่าหิมวันแล้วทรงนั่งขัดสมาธิเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีรัศมีสวาา่างจ้าน่ารื่นรมใจรุ่งเรืองดังดอกบัวเขียวชดช่วงดังกองไฟ เราได้เห็นพระนายกของโลกผู้รึ่งเรืองอยู่บนต้นไม้ประดับด้วยตะชีพเหมือนสายฟ้าในอากาศเหมือนต้นพยารังที่ดอกบานสะพังพระมุมีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรทรงทมที่สุขแข็งทุกเป็นมุนีจนทั้งหลายอาศัยซึ่งการเห็นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ครั้นเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาของเราชีวบาแล้วแต่สวดบูพรลักษณะว่าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทาละเราจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุเราเห็นกงจักซึ่งมีกรรมพันหนึ่งปรากฏอยู่ที่พื้นพระขว้าพระบาทอนุดม ครัได้เห็นบารักษณะของปรุงแล้วจึงถึงความแน่ใจว่าพระตถาคตเจา้าในการนั้นเราได้จับไม้กวาดที่นั้นแล้วได้นําเอาดอกไม้แปดดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปร ะ, ระเสริฐสุดครั้นบูชาพระพุทธเจา้าภู้ข้ามโอค่าไม่มีอสวะปรุรงนั้นแล้วทำนังเสือเจวียงบาข้างหนึ่ง นมัสการพระนายกของโลกคือในตอนนั้นท่านครองเพศเป็นฤๅษีฤๅษีที่เรียกว่านุ่งขากรองครองหนังเสือก็เป็นการอยู่ตามประสาของฤๅษีในป่ามีอะไรที่ฉันได้ก็ฉันไปมีอะไรที่นุ่งได้ก็นุ่งไปมีไหนอยู่ได้ก็อยู่ไป ที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินดได้ก็ทําไปตามความปรารถนาแต่นอนถ้าก็ต้องมีอสมเพราะว่ามันมีฤดูต่างๆที่แปรผันไปโดยเฉพาะฤดูฝนกับฤดูหนาวมันก็เสียแทนฤดูร้อนก็จะสามารถอาศัยร่มเงาของต้นไม้ได้แต่ว่าฤดูฝนฤดูหนาวก็อยู่ที่ คันตะกุฏิแล้วก็เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาจนถึงศาสนาพระพุทธเจ้าปรุงต่างๆคือกำหนดให้พระเวลาจาพรรษาจะต้องอยู่ในเสนาสนามีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้มีหลังคาที่กันฝนได้แล้วป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดแก่ตนได้ ก็ต่อไปท่านบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอสสวะทรงประทับอยู่ด้วยพระญาณ น, นั้นใดเรจาจับประกาศพระญาณ น, นั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคำเรากล่าวเถอดขาแต่พระสยามภูผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้คำว่าสยามภูก็ตรงกับคำว่าสัมมาสัมพุทโธนั่นเอง รือว่าพระผู้เป็นเองคือกสัตรุอนุตตรสมาสมาสัมโพธิญาณโดยไม่มีครูบาจารย์เป็นผู้สั่งสอนแต่เป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไทยหลังได้จากผ่านความบริสุทธิ์ของศีลของสมาธิมาจิตใจตั้งแ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวประศจากกิเลส ไม่มีกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในจิตจิตใจของท่านเราเรียกว่าตัดสุขปูเจ้าของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละท่านบอกว่าขอพระองค์ทรงหรือขนสัตว์โลกนี้ สัตว์เหล่านั้นอาศัยการเห็นพระองค์ย่อมคํากระแสน้ำคือความสงสัยได้หรือขนสัตว์นั้นก็คือเทศนาแสดงธรรมสั่งสอนหลักการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองจนมีความรู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุพุทธะหรืออาหารรสสาวก ก็อย่างพระหันทั้งหลายที่มีภาษาดิบุตรเป็นต้นในพระพุทธศาสนาของเราพอสายการรื้อขนของพระพุทธเจ้าลีป ร, ระการหนึ่งก็คือกระแสน้าคือความสงสัยคือความสงสัยนั้นจะทำหน้าที่พัดผันใจิตใจของบุคคลมีความเพลียังสงสัยอยู่เรื่อยเราดูตัวอย่างง่ายๆว่า อย่างข้อสอบที่มีตัวเลือกนักเรียนนักศึกษาไม่แน่ใจว่าข้อไหนจะถูกข้อไหนจะผิดบากาก็ยะสายไปเรื่อยจนกว่าจะปรงใจลงได้ว่าข้อไหนถูกต้องแต่จะถูกต้องจริงหรือไม่ก็ต้องดูที่คะแนนได้ดูที่เกรดที่ครูบาอาจารย์ก็ตรวจไปแล้วแต่ว่าในที่นี้มันก็ตรวจเองคือรู้ด้วยตัวเอง ปัความสงสัยหลักก็มีอยู่แปดประการก็จริงก็เป็นอาการของอวิชชานั่นเองแต่อวิชชาที่ไม่หยาบเกินไปคือสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงค์สงสัยในเรื่องของไส้สีขาสงสัยในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจสมุปาารก็คือกฎของปจจยการ พระองค์ทรงเป็นศาสดาแปลว่าผู้นำหมู่ก็มาจากสัทธาวะ ห, หรือว่าบาลีเรียกว่าสาัทธาก็มาจากคำวา่าสัทธาวะแปลว่าผู้นํากองเกวียนคือหมายความว่าผู้นํากองเกวียนนั้นจะต้องมีความฉลาดสามารถเป็นพิเศษนํากองคาราวุคาราวานเกวียนยาวเป็นกิโลกิโลเนี่ย ให้ไปมาด้วยความสวัสดีได้สามารถป้องกันขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแก่กองคารวานเช่นปุ้ภัยทั้งหลายปู้ภัยคือทางกันดารนั่นก็อย่างหนึ่งปกภัยประการหนึ่งก็คือภัยจากโจรภัพแล้วก็ภัยจากสัตว์ ร, ร้ายนากองเวียนก็สามารถนำหมูคณะให้ผ่านพ้นภัยอันตรายเหล่านั้นไปได้ ก็ศาสดาเนี่ยศาสดาหรือสัต t h หรือผู้นำหมู่เนี่ยมันก็ย่อยลงมาก็กลายเป็นพวกคณาจารย์เจ้าลัชิแล้วก็เป็นภาษาของเราก็เรียกอุปชายะก็เป็นอาจารย์เป็นผู้อนุศาสตร์สั่งสอนภารกิจก็เป็นอย่างเดียวกัน เป็นศาสดาที่เป็นยอดก็หมายความว่าศาสดาทั้งหลายในโลกนั้นไม่มีการประสูติหรอกว่า เ, า, าเพราะศาสนาพระพุทธมูรตินั่นเองก็มีคนที่เป็นศาสดาอยู่มากในสมัยนั้นหรือในสมัยนี้มันก็มีศาสดาอยู่มากแต่ว่าศาสนาส่วนใหญ่ก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วได้จากโลกนี้ไปแล้ว ที่มีที่ยังเรียกาศาสดาอยู่เวลานี้ก็มีาศาสนาซิกนะครับเขาก็มีาศาสนาของเขาไปมาเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆของาศาสนาอื่นเขาไม่มีอย่างของคริตเนี่ยก็มีอย่างสูงสุดก็แค่สันตปะปาหรือไม่มีระดับาศาสดาของเราก็มีในที่บางประเทศที่ปกครองด้วย มีพระมหากษัตริย์เป็นรงเป็นประมุกขก็ขจะเรียกว่าสังฆราชาก็คือเป็นราชาคณะเป็นราชาของสงก็คล้ายๆก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินของสงแต่เราก็ไม่เรียกว่าศาสนาศา ส, สนาอิสลามเขาก็ไม่มีนะฮะก็เวลาเนี้ยสมัยนี้ก็ถือว่ามีอยู่ศาสนาเดียวศาน ส, สนาในศาสนาซิกไปลงที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เดินที่เดียวที่จริงเขาก็มีสิ คนนะฮะมาจบทีเ่เริ่มจากนานักเทพแล้วจะมาคุรุโคบินแลสิงแต่เขาเรียกสุดมากก็เรียกครูครูกษัตริย์สดาก็คือกันนะแต่ว่าครูเล็กกว่าศาัสดาเ่นั้นเป็นธงชัยคือเป็นผู้นำผู้นำคนให้สามารถเอาชนะต่อสัพพิเลสและสารับพวกสัพพทุก์ต่างๆได้ เป็นหลักเป็นที่พํานักเป็นที่พึ่งอันนี้ก็ในย่าเดียวกันก็คือว่าเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวใจของบุคคลที่ให้การเคารพนับถือเพราะว่าถ้าเรานับถือศาสดาเราก็นับถือคําสอนเรานับถือคําสอนเราก็ปฏิบัตามปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติตามคําสอนเราก็ได้ที่พึ่งดังนั้นพระองค์จึงเป็นประที่ทรงทางแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็ชี้ทางบรรทุกชี้สุกเกษมสารชี้ผิดชี้ถูกชี้ดีชี้ที่ชี้ชั่วที่ทางเสื่อมทางเจริญเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์ต่างๆนี่ก็เป็นการบอกทางสว่างให้เท่านั้นแต่ศาสนาจริงๆก็ทำได้เท่านั้นคือการชี้บอกทางให้เท่านั้นเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอาคาตาโรตถาคาตาปฏิปนาปโมคคันติมาชายิโนบาลบัรธนาตาโคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นแต่การประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากอำนาจของมานั้นเป็นภารกิจที่พวกเธอทั้งหลายจะต้องทำเองศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เรียกว่าวิริยวาชีรือใช้ความเพียร แล้วก็เป็นกรรมมาวาัีคืออยู่ที่ความเพียรในการกระทำกรรมของคนแต่เพียรทากรรมชั่วมันก็รับผลชั่วไปเพียรทำกรรมดีถึงจุดหนึ่งก็เลยดีเลยชั่วไปก็เป็นพระยบุคคลเป็นพระอาหารไปเป็นผู้สูงสุดกว่ามนุษย์คือเราจะเห็นว่าโดยชาติกาเนิดนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า ในสังคมโลกนั้นชาติกําเนิดบางทีก็ถือกันอาณาการราชวงศ์นั้นสูงกว่าราชวงศ์นั้นราชวงศ์นั้นสูงกว่าราชวงศ์นั้นแต่พอดีในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์คือบางพระองค์ก็เกิดในสกุลพราหมณ์บางพระองค์ก็เกิดในสกุลกษัตริย์แต่ความประเสริฐจริงๆนั้นก็คือประเสริฐในทางปัญญาทางบริสุทธิ์และทางกรุณา หมายความมาใครเสมอพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ในสามเรื่องเรื่องอื่นเขากรอาจเสมอแต่อา จ, จะโดดเด่นกว่าอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เคยเสนแสดงแก่นักบวชนอกศาสนาแต่ถ้าจะเทียบเคียงกับการปฏิบัติระหว่างพระองค์กับสาวกในการปัจจัยสีนั้น สาวกของพระองค์บางคนเนี่ยฉันข้าววันละกมือเท่านั้นเอง เ, เดียวฉันข้าววันละคำเดี๋ยวทรมานร่างกายเหมือนกันแล้วก็นุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสกุลจีวรเท่านั้นบางสกุลจีวรที่อุกฤษจริงๆก็คือเก็บมาจากซากศพเก็บมาจากที่เขาทิ้งจริงๆเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัด แล้วก็ทําเป็นพาจีวรเ อ, อทําให้เราเห็นอย่งหนึ่งเวลาเนี้ยมันมีกระแสขานิยมที่บอกว่าออชาจีวรพระราชนิยมเพอก็ยิงเราก็หาข้อยุติไม่ได้จนเดี๋ยวเนี้ยว่าสีพระราชนิยมน่นคืออะไรเพราะวัิแต่ละวัดต่างก็ถือว่าตัวเองเป็นสีพระราชนิยม โดยเฉพาะถ้าท่านทลายลองสังเกตจากภาพข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับพระนะเราพบว่าสีค่อนไปทางแดงในสูงขึ้นใายความมาเหลืองจนเป็นแดงไปเลยเหลืองแก่นะฮะแล้วก็จนกลายเป็นแดงไปแต่ท่านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสีพระราชนยิยมที่จริงถ้าเรามองในหลักของความจริงว่าพระเรานั้น ประชาชนที่มาจากน้ําฝาดของต้นไม้ทุกส่วนของต้นไม้เนี่ยตั้งแต่ดอกของต้นไม้เอามาย้อมจีบอนได้ทั้งนั้นพอเราจะเห็นว่าสมมุติว่าเราจะรมย้อมจากแก่นขนุนเนี่ยมีดอกขนนมีลูกขนุนมีเปลือกขนุนนะมีใบขนนมีเนื้อขนุนมีแก่นข น, น จีวรมันก็ไม่เหมือนกันผลไม่เหมือนกันมาตั้งแต่ตน้นในรูปศาสนาจึงไม่ไปยุ่งเกีย่ยวกับจีวรว่าจะต้องเสมอกันเพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพเขาถวายอะไรมาก็ใช้สีอย่างนั้นเป็นการฉลองศรัทธาของชาวบ้านเวลานี้ถ้าเราดูจริงๆแล้วในสีจีวรมัน เป็นไปตามตามร้านจีนที่ขายจีวรขายผ้าไตรตามร้านที่ขายผ้าไตรบรนก่อนได้ยินข่าวหรือแม้จะได้ยินข่าวแล้วก็มาเล่าให้ฟังหรือเขาพูดถึงเรื่องจีวรเราพูดถึงจีวรไตรหนึ่งที่ลู้สิษที่เขาสึกออกไปเนี่ยเขาไปเปิดร้านเย็บจีวร แต่พอเราถามพระไตรหนึ่งไตรเราเท่าไรเนี่ยเขาบอกว่าพันห้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีร้านที่ทำจีวรพิเศษสำหรับพระกรรมฐานโดยเฉพาะถ้ากรรมฐานส่วนหนึ่งก็จะมาซื้อจีวรจากที่นั้นประทายจีวรจากที่นั้นแต่มันพิเศษะมากมากคือตั้งสี่0มสี่พันห้าร้อยมันห่างกันเยอะเลยแก อ่าก็ตั้งสามพันทางที่พระใจเท่ากันจำนวนเท่ากันก็แสดงว่าถ้าเป็นเชนนั้นจริงพระกรรมฐานก็รู้ไม่เบานะพระเราส่วนใหญ่เราก็ตามแต่ชาวบ้านก็จะถวายถวายมายังไงก็ห่มกันยังไงเนะี่ยก็มีหลายแห่งนะฮะเวลานี้ที่ใช้การตัดจีวน เป็นร้านที่ตัดจีวรโดยเฉพาะแล้วก็แข่งความประณีตของสีของของการตัดจีวรของตะเข็บจีวรก็ทําให้ดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นแต่ราคาก็ก็ไม่เคยแพงธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าเรียกว่าเปิดพระวินัยตัดกันเลยหมาความพระวินัยว่ายังไงก็ตัดกันอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นเราก็กลายเป็นห้าขัน กลายเป็นเจ็ดขันกลายเป็นเก้าขันกลายเป็นสิบเอ็ดขันก็ส่วนมากก็ไปอยู่แค่สิบสิบเอ็ดขันนะครับก็ทิวคนก็เลยดูหลากหลายเราก็ไม่อาจที่จะหวังว่าเออพระจะต้องหมสีจีวรเหมือนกันได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าที่มาของจีวรนั้นมันแตกต่างกันที่มาของสีก็แตกต่างกันดังนั้น ประเด็นตรงนี้เราจรึงเห็นว่าความสูงสุดเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่ความสูงสุดอยู่ที่คุณธรรมข้างในคือพระคุณพระคุณเป็นที่รวมของทุกสิ่งของความดีงามทุกสิ่งมันหมดแล้วคกอวปัญญาก็ทำลายวิชาหมดแล้วเมื่อวิชาหมดไปพระไทยก็สงบก็บริสุทธ หมดจดจากอารสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายโลกธศต์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมองโลกด้วยความกรุณาปรารถนาการพ้นจากทุกของสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักแต่ว่าความสามารถของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ทัดเทียมกันเพราะงั้นพระพุทธจ้ารองใดๆก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรื้อนสัตว์ได้ทั้งหมดหรอกเพราะพระองค์รเฉพาะสอดเท่นั้น ไม่จะปลุกเสกเอาปลุกเสกเอาเรื่นี้ที่จริงพระเราเก่งนะคือว่าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการปลุกเสกสมัยนี้เขก็ปลุกเสกปกุภุุษปลุกเสกพระพุทธเจ้าเสียด้วยสิแทนที่พระพุทธเจ้าจะปลุกเราเรากลายเป็นปลุกพระพุทธเจ้าไปก็ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องกระแสของความเชื่อในสังคมไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปเชื่ออย่างนั้นแต่ว่า ปฏิเป็นกระแสสังคมที่ต้องยอมต้องยอมรับเหมือนกันว่าก็เป็นอุเทสิกะเจดีเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหมายรู้กันในหมู่ของชาวพุทธวันนี้คือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเราก็ไหว้กราบสักการะบูชาด้วยความสนิทสนม แม้จะเป็นองค์เล็กๆ ก, ก็ตามก็ต้องจับต้องด้วยความเคารพละเพอเป็นรูปพระพุทธ ร, รูปขึ้นมาก็ต้องให้ความเคารพละเพราะเป็นปูชนียวัตถุเป็นวัตถุที่ควรแก่การสักการบูชามันก็มีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่พุทธสมัยสมัยพระพุทธเจ้าก็เคยแสดงเป็นพุทธนิมิตคือรูปพระพุทธเจ้าที่ทรงนิมิตเอาไว้ ให้แสดงอภิธรรมแทนพระองค์เมื่อประทับกรมพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดเป็นตำนานเ็าเรียกว่าในการต่อมาก็มีตำนานพระพุทธ ร, รูปไม้แก่นจันท์ซึ่งพวกที่สาวถีเขาสร้างขึ้นพระพุทธเจ้าหายไป น, นานไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยก็ช่วยกันสร้างเป็นพระพุทธ ร, รูปขึ้นมา เลารู้แต่เจ้าเสด็จลงจะดาวดึงพระพุทธแกนจันทก็ลุกขึ้นยืนรับนะฮะลุกขึ้นยืนรับก็แสดงว่าเป็นพุทธานุภาพและองไม่ใชาอนุภาพของชาวบ้านที่ช่วยกันแกะสลักแต่สรุปว่ามีที่ไปที่มาคือไม่ใช่อะไรมันเกิดขึ้นห ล, ยลอยๆก็มีที่ไปที่มาเท่านั้นว่าประโยชน์จะพึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆอ คอยใช้ความพยายามในที่นั้นโดยวิธีนั้นๆไม่ต้องไปหลงยึดติดในรูปแบบอะไรมากเกินไปแต่ประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้เท่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติเราจะเห็นว่าอย่างอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายในเช่นอนุสติสิบเนี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมและก็นามธรรม อย่างพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะสีลานุสติจารานุสติเนะี่ยรูปสมานุสตินี่เป็นนามนธรรมอนาปานาสติหรือมอนานุสติไอตัวมอนาเองมันก็เป็นนามนธรรมตัวผู้มอนาก็เป็นรูปธรรมเทวตานุสติไอตัวธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดาก็เป็นนามนธรรมตัวเทวดาก็เป็นรูปธรรม ก็สรุปว่าเป็นเรื่องร ป, ประทเป็นเรื่องรูปประทับกนามาทำแต่สำคัญว่าให้เราได้ประโยชน์กันแล้วกันน้ำในมหาสมุทรอาจประมาณได้ด้วยมาตราตวงแต่พระสัพพัญญูเจ้าแต่ใครๆไม่อาจจับประมาณพระยานของพระองค์ได้เลย แต่ท่านก็บอกว่าเอาแผ่นดินมาช่างดูแล้วอาจประมาณแผ่นดินได้แต่พระสัพพัญญูเจ้าแต่ใครๆก็ไม่อาจจะช่างพยานของพระองค์ได้เลยแต่พระสัพพัญญูเจ้าอาจวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือด้วยนิ้วมือแต่ใครๆก็ไม่อาจจะประมาณพยานของพระองค์ได้เลยพึงประมาณน้ำในมหาสมุทร และแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะเอาพุทธญาณมาประมาณไม่ควรเลยเพราะว่าทำไม่ได้คือประสพพันยุตญาณเนี่ยมันเหนือกว่ายานทั้งหลายบางทีเราเรียกว่าพุทธญาณบางทีเ ร, เรียกว่าสมัญตจักสุกก็ได้นะคือหมายความมาทรงอย่างรู้ละเอียดจนสอนไม่ได้คือสอนแล้วคนก็ไม่เข้าใจ อย่างที่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ป่ามาวันอยู่ในป่าปดูลายนะฮะแต่ว่าในป่าใหญ่คือป่ามาวันแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ปดูลายก็ทรงหยิบใบไม้มาในก ร, รมพระหัสได้รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ที่ในพระหัสของพระองค์กับใบไม้ในป่าเนี่ยอันใดจะมากกว่ากัน ทีสูงทั้งหลายก็กล่าวทูลว่าใบไม้ในป่านี่มากกว่าใบไม้ในคำพระหัสก็มีนิดเดียวก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่พระองค์รู้แต่ไม่นํามาสั่งสอนเนี่ยมันมากเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่ทรงรู้แล้วก็นํามาสอนนี่เหมือนกับใบไม้ในคำพระหัสเพราะว่าพระองค์จะสอนเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดแห่งทุกเรื่องความรับทุกเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องถึงให้ถึงความรับทุกข์นั้นสรุปว่า ก็สอนในกรอบของอริย ส, สัจสีแต่ว่าสิ่งที่มากที่จริงก็อยู่ในกรอบอริย ส, สัจสีเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าลึกซึ้งเกินไปหรือซึ้งเกินไปที่ไม่อาจจะประมาณได้ยางยกตัวอย่างผูง้จิตเว็นแสนโกขนดขณะเนี่ยแต่ละขณะนี่เรียกว่าแสนโกขนดขณะก็ไม่มีใครไปประมาณได้หรอกไม่มีใครไปนับได้ ก็จำแล้วมาพูดได้แต่ว่าเราจะไปรู้ไอ้จิตแสนโกรธขณะนี้มันมันนับยังไงนับทันหรือไม่มันเร็วเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเรื่องของประาญาณยังรู้ความจริงของขณะจิตแต่เราจิตรเราไม่ไหวเนี่ยอัญญาเราไม่ไหวเราก็ไปไปนับอย่างนั้นไม่ได้ก็เพียงจะจําว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แหละ ใช้ความจำนะแต่เราไม่เห็นไม่เห็นด้วยจิตนะไม่เห็นด้วยจิตไม่ใช่ไม่เห็นด้วยตายไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นอยู่แล้วแต่แม้ด้วยจิตเราก็ไม่มีพลังพอที่จะเห็นเพระนาะฉะนั้นใครจะเทียบเคียงอะไรพระองค์ไม่ได้คุณสมบัติบางอย่างเช่นที่เคยเล่าเรื่องประวัติพระนุรุต พระรู้ต้องการจะเห็นการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างทียิบเนี่ยดูไปดูมาท่างกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าดูไม่ทันสัตว์มันตายเกิดเร็วเหลือเกินเร็วแบบทียิบทีจนจนแยกไม่ออกอ่ะคือสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องของสาวกขาติแต่เป็นเรื่องของพุทธญาณที่จะกําหนดรู้ แต่นี้พอพระพุทธเจ้ารู้ด้วยพระญาณเนี่ยก็เอามาแสดงให้เห็นชัดเจนไม่ได้เพราะว่าการจุติไปสนที่เนี่ยเป็นนามทั้งนั้นนะฮะเป็นนามทั้งนั้นไปไปสนที่ในรูปเปิดรูปมันก็เล็กนี้เดียวรูปมันก็อยู่ข้างใน สิ่งที่เข้าไปเป็นสุนชิมันก็มาจากข้างนอกแต่มามาเร็วไปเร็วอะคือเกิดตายเกิดตายเกิดตายมีสัตว์ไปเด่นมากที่อยู่ในลักษณะเกิดตายเกิดตายอยู่เพราะงั้นท่านยังบอกว่าในการจะไปวัดในพวกแผ่นดินภูเขาอะไรจะไปวัดไปเถอะแต่ว่าการไปวัดพระยานของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ควรจะทําเพราะว่าเป็นเรื่องเกินวิสัย เป็นเรื่องเรี อ, อจินไตยคือไม่ควรจะคิดเพราะใดเพราะว่าในโลกนี้มันมีอจินไตยอยู่สี่เรื่องคิดไปก็ปวดหัวอุป ม, มติกะภาวังปัตตวาถึงความเป็นคนบ้าไปเลยนั่นก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิสัยกรรมวิปากวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็ผลของกรรม แล้วก็อิทธิวิสัยริชาณวิสัยนี่เป็นวิสัยของฤิศแล้วโลกกจินตาความเกิดขึ้นของโลกความตั้งอยู่ของโลกโลกตั้งเมื่อไหร่ยังไงยังไงเนี่ยแต่ใครสร้างสร้างเมื่อไรสร้างอะไรสร้างกับอะไรยุ่งยุ่งวเปล่าพูดไปก็ไม่มีใครตอบได้เราจะเห็นว่าสมมติว่าศาสนาเทวนิยมกับเทวนิยมก็มาคุยกันเรื่องการสร้างโลกแต่ในสุดมันขาดอกัน ประมายความมายังไงมายความมาตัวนักการศาสนาเองก็รู้ตามตำนาคือไม่เห็นตอนที่ท่านสร้างโลกอะสมมติเราสร้างโลกจริงๆเราก็เกิดไม่ทันแล้วก็ปัญหาที่ตามมามันมีเยอะเหลือเกินก็ตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรแล้วท่านเอาอะไรมาสร้าง ดินน้ำลงไฟอากาศได้มาจากไหนละ่ะมันจะตามมาอีกเยอะเลยปัญหาเพราะงั้นปูดไปก็เท่านั้นเป็นอนะจินไตนะคิดไม่ได้ข้อต่อไปท่านบอกว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักสุมีพระจักสุก็จักสุห้าอย่างที่บอกไว้วันก่อนโนนว่า พร้อมเบนจะพิจารณาสุจริปริมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงสงมีประจักษ์สุห้าประการก็มีความชัดเจนแจม่มแจ้งส่วนหนึ่งก็คือตาเนื้อนี่แหละแต่ว่าตาเนื้อที่แจ่มใสชัดเจนแล้วก็แม้จะอยู่ในพระชันษาถึงปัณษาถึงแปดสิบแล้วพระเนตรก็ยังมองอะไรแจ่มแจมใสชัดเจน อันนี้เป็นผลของการบริจากดวงตาเป็นทานมาในภพชาติต่างๆมาสนองผลแล้วก็ปัญญาจากสุจากสุคือปัญญาอันนี้ก็สุดอย่างรู้แล้วพุตตจากสุตาชิปจัก ส, ปปกสุตาชิปก็อีกสุดอย่างรู้แล้วพุตตจักสุจากสุของพระพุทธเจ้าแล้วก็สมา น, นจากสุคือตัวสัพพัญญุตญาณเละ จะเห็นว่าพวกที่จะพออย่างรู้ได้เนี่ยนะรู้ได้เราเราพออย่างรู้ได้เนี่ยก็คือปัญญาจากสุกัสมันได้กับมังสะจากสุขแต่ว่ญญาสุ่ยสามอย่างมันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าที่ไปจากสุขมนุษย์สามันก็สามารถมีได้ระดับหนึ่งะพระหันตะก็มีได้ท่านที่ได้ฌานแต่ก็มีได้ แต่ว่าพอถึงพุทธะจักรสุกบบสัปันจักรสุนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือหมายความว่าเราไม่สามารถจะยังถึงได้จิตของสัตว์เหล่าใดย่อมเป็นไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่ภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยอาเทศนาปาฏิหาน คือรู้ใจใจคนเนี่ยใจคนในแต่ละขณะเขาคิดยังไงคิดยังไงจิตประกอบด้วยอะไรจิตประกอบด้วยราคะหรือไม่มีราคะาโทสะหรือไม่มีโทสะโมหะหรือไม่มีโมหะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ ห, าธหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเนี่ยทรงรู้รู้ความคิดของเขาในขณะนั้นๆจากจุดตรงเนี้ยเป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรมแบบอนุโลมอนุโลมตามจริตของคนในขณะนั้นๆ คล้อยตามจริตของคนยักย้ายเปลี่ยนแปลงพระธรรมเทศนาไปเรื่อยแต่ที่นี้เราไม่รู้จริตเราไม่รู้จริตของคนเราเทศได้เราสอนได้แต่เราก็ต้องอ้างพระพุทธเจ้าคือไปว่าวเองไม่ได้เพราะจริงๆเราไม่มียานนะ่เราไม่มีญาณไปอย่างรู้ว่าเออเวลานิยมคิดยังไงบางครั้งบางคราวเราอธิบายลึกซึ้งขึ้นไปถึงอริยธรรมอย่างนี้ พที่มันก็แสดงสภาวะคิดรสปัจจุบันก็ทำให้มันเหมือนกับเรารู้ความคิดของคนแต่ที่จริงเราจำนะเราไม่ได้รู้ว่าความคิดของใครเป็นยังไงในขณะนั้นใครเป็นจริตอะไรราคาจริตโสดจริตมุฮหาจริตอสัทธาจริตพุท ธ, ธิจริตพิทุจริตเนี่ยเราก็ไม่รู้ก็อธิบายคลุมคุมไปยางนันเองนี่คือปัญหา ที่การศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลนะฮะี๋ยวมันก็ด้อยลงไปน้อยลงไปโดยลำดับก็เรียกว่าบางทีมือเมือม่อกัดอะไรละ่ะอาจารย์ก็ตาบอดอะลูกศิษย์ก็ตาบอดก็จุงเดินกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องพยายามยึดมัน่นยึดมั่นในหลักการของพระพุทธเจา้า กูเจ้าสอนว่าอย่างเงี้ยต้องกล่าวอ้างแล้วก็ที่จริงก็ควรจะมีที่ไปที่มาแต่ว่าบางทีการเทศการสอนโดยทั่วไปเนี่ยเราไปอ้างที่ไปที่มาอะไรมันมันกลายเป็นตําราทางวิชาการกราคากับเราเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหนังสือเป็นเล่มเล่มไม่ใหญ่เกินไปนี่ถ้าจะอ้างมีหัวข้อคน้นคว้ามีที่ไปที่มามีเ อ, อ ที่ที่อ้างอิงแตกเนี่ยตัวเลขอ้างอิงไว้ข้างล่างบางไว้ข้างหลังบางคือมาไม่ชอบวิธีการอย่างนั้นไม่ชอบคือชอบประพูดไปเลยหมายความาเช่นพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงแก่พระอนุนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นๆ่นในอะไรก็ว่ากันไปหมายความว่าผู้อ่านควรจะรู้ที่มาโดยไม่ต้องไปก้มดูข้างล่าง ในตอนปกติแล้วเราจะมีพุทโน้ตอยู่ข้างล่างหรือบางทีก็ต่อบ้านข้างหลังแล้วข้างหลังก็ส่วนมากก็อ้างชื่อหนังสือหนังสือเป็นเล่มมันไม่มีใครไปคนได้หรอกอย่างนี้นะแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปไปตรวจสอบว่าเออว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยที่พูดมามถูกต้องหรือเปล่า แต่ทีนี้เราเอาไปค่านิยมแบบฝรั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดุษฎีนิพนธ์พวกวิทยานิพนธ์ภาษาแนิพนธ์ทั้งหลายนี่ก็จะมีการอ้างมาแต่ทีนี้พออ้างไปอ้างมาเนี่ยมันบางทีก็ไม่ได้ดูไอ้ตัวเดิมอ่ะอ้างตามเพื่อนน่มายความมาหน้าเพื่อนอ้างหน้ามายังไงก็อ้างหน้าอย่างนั้นอ้างเล่มอย่างไงก็อ้างเล่มอย่างนั้น อ้างคนเขียนมาอย่างไงก็อ้างมาอย่างนั้นก็ทําให้ระบบการศึกษาของเราเนี่ย ก, กลายเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยที่เธอเธออ้างมาเนี่ยเธออ้างมาโดยการเปิดดูตัวเทคกหรือเปล่าตัวข้อมูลระดับประถมภูมิเนี่ยค้นมาหรือเปล่าดูมาหรือเปล่าได้อ่านตลอดไหม บางทีแม้ก็ตัดแปะมาเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาอ่านเราข้อมูลปฐมภูมิไหมนี่คือคือสิ่งที่มีปัญหาในด้านการศาึกษาเรื่องคิดคิดว่าต่อไปนี่มันคงจะมีเยอะเพราะว่าเอกสารอ้างอิงแนวนี้มันช่วยสมมติว่าพจนานุกรมประทานุกรมหรือธรรมานุกรมอะไ ร, ต, ะไรต่างๆแล้วเขาก็อ้างไว้ตลอดอก็ไม่ต้องไปเปิดดูเล่นใหญ่แล้ว ก็มาเปิดดูที่พวกนี้ก็อ้างหรือบางทีเราก็อ้างพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่พระเจ้าทรงสแสดงมันก็อยู่ในหนังสือพุทธศาสน า, าสุภาษิตเล่มหนึ่งสองสามหนังสืออีกเยอะแยะไปเลยที่ยกพระพุธธทธภาษิตมาไว้เนี่ยแต่มันก็ไม่ถึงกับไปหาในตัวตัวเล่มใหญ่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ไปเปิดที่ตรงนั้นแล้วก็อ้างอิงมาอย่างนั้นทำให้ความรู้เราคับแคบ คือกรที่จะมีข้อความตรงนี้มันคืออะไรแล้วเมื่อรับสั่งข้อความตรงนี้แล้วต่อไปเนี่ยทรงขยายยังไงทรงอธิบายไว้ยังไงอย่างในอัตถกถาที่กำลังเล่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทั้งตัวบาลีตัวบาลีที่เป็นพุทธวัจนะหรือเป็นเทราคาถาในขณะเดียวกันก็มีการอธิบายการอธิบายในแต่ละบทแต่ละข้อความในท่านยาธิบายน แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูที่ตัวพระไตรปไิฎกได้เลยเพราะว่าก็บอกเรื่องไว้ชัดเจนนะสารีบุตรเทระคาถาเนี่ยเราก็ไปดูที่ประวัติของพระสารีบุตรในเทระคาถาก็ทําให้มองได้ตลอดสายแล้วก็เลยไปข้างล่างอีกได้นะฮะพวกดีกาอนุดีกาโยชนาอ ะ, ะอะไรต่งตางๆอีกเยอะ แต่วความประนีดในการศึกษาต่อไปมันจะไม่ประนีดขนาดนี้นะจะจะจะไม่ประณีดก็จะหยาบหยาบแล้วก็แนวตัดแปะแนวต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นาะบางทีก็ก็ลืมแล้วลืมแล้วว่าอ้างมาจากเล่มไหนนะมีข้อความมายังไงข้ามต้นว่ายังไงก่อนจะถึงข้อความตรงนี้ว่ายังไงล่ะ เออเมื่อถึงข้อความนี้ต่อไปท่านอธิบายว่าอย่างไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านมานี่คือสิ่งที่มีปัญหาแล้วก็บอกว่าขายคือพระยานของพระองค์่าแต่ประสัพพันยูเจ้าโปองคทรงบรรลุโพธิญาณสิ้นเชิงด้วยพระยานอันใดโปองคทรงย่ำยีเหล่าอัญญะเดรธีด้วยพระยานอันนั้นคือหมายความว่าอัญญะเดรธีเนี่ยเขามีเฉพาะ พูดง่ายๆว่าปริยัตยิปริยัตยิตามคําบอกเล่าแล้วก็บอกเล่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งท่านก็ได้จากการปฏิบัตินัแหละแต่ที่ให้ผลจากการปฏิบัติไม่ใช่ข้อยุติหรือบางทีเราเอาผลจากการปฏิบัติของเราเนี่ยมาเป็นข้อวินิจัยในเรื่องเหล่านั้นที่จริงตัวผลจากการปฏิบัติเราต้องกลับไปเชียบประตูปริยัติอีกทีหนึ่งว่าตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าที่เราเราคิดว่าเรารู้เนี่ย ตระที่พระเจ้าส่งส่งแสดงไว้หรือเปล่าเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงนั้นมันเป็นปฏิเวษหรือแสดงกะสัมผัสตรงเลยเข้าถึงสภาวะของธรรมะเหล่านั้นด้วยประไทยความรู้แล้วก็ส่งสื่อสารด้วยภาษาทีนี้ภาษาที่เปล่งออกไปมันก็เป็นปริยัติสมาผู้ฟังผู้ฟังนั้นจะต้องเดินตามคือต้องนาข้อความเหล่านั้นไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลพอสัมผัสผลมันจะตรงกันตรงกับที่รูพเจ้าทรงสัมผัสเพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าคุณธรรมระดับระดับฌานขึ้นไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเชิงรูปแบบที่มานะของฌานอารมณ์ของฌานโดยเฉพาะางยิ่งคือที่ตั้งของกรรมฐานที่ตั้งของสมาธิแต่มันจะเหมือนกันในรูปของปีติสุขเอกะกะตา ที่ทำหน้าที่สงบนิวร์ทั้งหาประการลงไปได้แต่ทีนี้ของพระพญาณของพระพุทธเจ้าในเรียกว่ามันก็หมดเลยนะหมายความมากิเลสทั้งหลายก็หมดเลยเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของพระโนมทัศสีแต่ถามาของพระพุทธเจ้าเราล่ะพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันเพราะเป็นสัมมาสัมพุทธยานด้วยกันความแตกต่างของสัมมาสัมพุทยานนั้นไม่มีแร้ ละได้ทั้งกิเลสและก็ทั้งวาสนาที่นี้ประการต่อไปท่านบอกว่าท่านสุรุจิดาบทนั้นกล่าวชมเชยด้วยคาถาเหล่านี้แล้วจึงลาดหนังเสือนั่งบนแผ่นดินท่านกล่าวไว้ในบัทนี้ว่าภูเขาอย่างลงในห้วงหมานบ8ปด0มื่นสี่พันยดสูงขึ้นไป8ปด0 0ื่สี่พันยดเช่นกัน ภูเขาสิเนเอรุนั้นสูงสุดทั้งด้านยาวและด้านกว้างถึงเพียงนั้นทำให้ละเอียดได้ด้วยประเภทการนับว่าโกดแสนข้าแต่ประสัมอยู่สัพพญูพุตตเจา้าเมื่อตั้งคะแนนไว้คะแนนก็จะถึงความสิ้นไปก่อนหมายความว่ามันมันยาวมันมากมันมหาศาลขนาดนั้นนแล้วเราก็นับพยาณว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด เอาเข้อจริงแล้วไอ้เม็ดทรายเป็นต้นนี่มันจะหมดไปเสียก่อนแต่พระยานยังไม่จบสิน้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจา้าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่พรเฉพาะพระโอนาบัตสีนะแต่ว่าตอนนั้นปรารบพระโอนมบัตสีก็ได้ชี้แจงได้แสดงแล้วก็นํามาเล่าให้พิสูจทั้งหลายฟังในปัจจุบัน ปัจจุบันสมัยนั้นนะ น, นะฮะปัจจุบันสมัยที่ภาษาอิบุตรท่านยังดำรงชีวิตอยู่ซึ่งมันก็พระสมัยนั้นเอาไปเทียบกับของพุทธเจ้าก็เทียบปั๊บปัปัป๊บกลงตัวหมดเลยนี่คือสิ่งที่น่าสัจจันว่าพัฒนาการขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานทําให้คนเสมอกันได้ ตั้งแต่นี้ตั้งแต่ชานขึ้นไปเนี่ยจะทําให้คนเสมอกันได้ในแต่ละระดับนะหมายความว่าในผสมชาญก็เสมอกับผสมชาญเป็นด้นไปโสดาบันก็เสมอโดินไปโสดาบันมันน่า จ, จะแตกต่างด้วยบา ร, รมีเบื้องหลังที่สะสมเอาไว้มีคุณสมบัติพิเศษเจ็นบางองค์บินทบาต ร, ร่ํารวยบางองค์บินทบาตรไม่ค่อยได้และอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างในธรรมดาแหละ แต่ว่าการเกิดปัญญาความบริสุทธิ์และความเมตตากรุณานั้นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อถึงอรหัตตมรรคเป็นพระอรหันต์ก็จะมีความสมบูรณ์แต่ทีนี้ในความสมบูรณ์นั้นแหละไอ้ศักยภาพในการเผยแผ่ธรร ม, มะอธิบายธรร ม, มะเนี่ยมันก็คงจะแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าบา ร, รมีที่เราสร้างมาไม่ทัดเทียมกัน นะแม้แต่ยุคประหารเองก็มีคนที่สามารถฉลาดสามารถในการเทศการสอนประชาชนเคารพนบถือมากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้ยอดทางภหุสูตรเป็นผู้ยอดทางการสแสดงธรรมเป็นผู้ยอดทางการอธิบายธรรมเนี่ยมันก็มีจํากัดองค์เท่ากันเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศ ร, รีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงาะงามไปบุญในธรรม อูมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี